أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و س ل م وبرك ا وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله و أ ص ح ا ب ه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم พระบิ د ร ي ให้ศัต س ีวยลสิ ي ์ลี่อั ي รีวะ ل ล ا ูกดั قه วคว ו ا י อ ه ลลอฮ์มุฟ ا ع ل م ت ن ا و ع ل م ن ا م ا ي ن ف ع ن ا و ز د ن ا ع ل م ا ر ب ن ا ظ ل م ن ا أ ن ف س ن ا و إ ل م ت و ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن ر ب ن ا أ ت ن ا م ن ل ا ذ ن ك ر ح م ة ن ا أ ي ل ن ا م ن أ م ر ن ا ر ش د Alhamdulillah. Ik, masih kiraan nah, ab, bulan Syawal. Kita akan dapat menerima bulan Syawal. Setelah itu, kita akan menjadi bulan Ramadan. Hari ini, oh, hari ini t e r l a m b a p a a n g g a l 27. Ah. 27, terlambat. Ah. 27, terlambat. Sesuai dengan k a l e n i s l b a n y a r a n a n t a m e n g i t i k l e Islam. เคยพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ก็คือเดือนรอนยับเนี่ยเป็นเดือนที่มีการอิสรไมรอพใช่ไหมครับตรงกับคืนนี้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนแล้วอันที่จริงมีทัศนะของบรรดาอุลามะที่เป็นอัลโมฮัตกีตีนคนที่ตรวจสอบสายรายงานเนี่ยไม่มีรายงานที่ระบุว่าอิสรไภาพเนี่ยเกิดในเดือนร้อนยับแต่อย่างไดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้ อรู้ไว่อีกฝั่งนึงด้วยอย่ารู้แค่ด้านเดียวต้องรู้อีกด้านนึงด้วยนะครับอัลลาอฮฺมฮัมหมัดไม่อธิบายเยอะอธิบายแค่นี้พออรู้อย่างเดียวเฉยๆก่อนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์อิสรมเอลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภารกิจสําคัญของท่านนาบีสุลัต่านนั้นก็คือการละหมาด ก, การที่ท่านนาบีขึ้นไปรับละหมาดฟารดูฮาวลาจากอัลลอฮฺซุลมิฮานุฮฺตะลา ที่บนเนื้อชั้นฟ้าเนื้อเจ็ดชั้นฟ้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจนี้นะครับเราอินชาอัลลอฮ์วันนี้จะเป็นตอนจบของไอบาดุรราะห์มานพร้อมๆกับการสิ้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอจับมีเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนเดือนชา บ, บานเนี่ยเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเอาอะไรมาพูดคุยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ในการต้อนรับรมอตัดนะเดี๋ยวจะยังยังไม่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรมาแต่น่าจะมีเนื้อหาที่สำคัญสคัญที่เรายังไม่เคยพูดคุยกันนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการต้อนรับเดือนรมอตเพราะว่าห่างหายกันเป็นนานเดือนรมอตห่างจากเราจริงๆแล้วก็ปีเดียวนั่นแหละแต่เหมือนสองปีเพราะปีที่แล้วรมอตัดสำหรับเราก็คือต่างคนต่างรมอกันเอง ไม่ได้มีรอมดอนแบบรวมตัวกันนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขอเวลาคิดนิดนึงแต่ถ้าพี่น้องมีอะไรที่จะเสนอว่าเรามีเวลาประมาณสี่สัปดาห์นะครับสี่สัปดาห์ไหมสี่สัปดาห์สำหรับที่จะถึงระมดอนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามอ่าอ่า หนึ่งสองสี่สัปดาห์นะครับในเดือนชาบานึ่งสสัปดาห์อนเชอลน่าจะเพียงพอสำหรับการพูดคุยประเด็นต่างๆที่มีประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตตอนรับเดือนรามาดอนของเราวันนี้เรามาอ่านกันก่อนนะครับอิบาดุรรฮ์มานตอนที่จอดตอนจบแล้วจบคืนนี้แล้วอันเชอลอนะครับอัะอยะที่เท่าไหร่เ อ, อ่ยเจ็ดสิบสี่ดูอา อบบนาฮับลันานะอันดูอาอาอันสุบไซสุรุตุลฟุร์กานอายาที่เจ็ดสิบสะอุบิลลาินชัยนิรรี ทัَ้ผَูทَ่ و ن َวَ่พระَจ้าทรงให้เราจากภรรยّ ا ت ِ ن ูกๆเปَนทีَ่ัก ي ิง” وجعلنا َ للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة َُ بما َِ صبروا َ วิลล فِيهَا ت َ ح ِ ي َّิเ و ต س ว ل َล م ً ا ลَ ا ل ِ د ِ ي ن ด فِيهَا สุนต م มุตควมรอและมุความะอัลมาียบเ م อบุคุมรับบิลโอลาดู ا าอุคุม فقد ك ذ ب ت <ص في ق> م ْ فسوف ي ك و ن ل ِ لذاما الحمد لله วันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าคณลักษณะสุดท้ายเนี่ยเป็นดูอา แล้วผมก็อยากจะเน้นย้ำดูานี้มากเหลือเกินเป็นดูอาที่มีประโยชน์กับพวกเรามากๆเป็นดูอาที่เราสัมผัสได้ถึงความหวังดีความเมตตาความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺสุบฮานะวาตา阿拉ที่ต้องการสอนใจเราฝึกฝนเราให้เป็นคนที่มีความรักมีความเอาใจใส่ต่อครอบครัว ลูกหลานภรรยาเราลูกหลานเรานะครับความหมายของดดอานี้ว่าอย่างไรหลายท่านคงจะเคยเผ่านหูผ่านตาหลายท่านอาจจะท่องจำาดอานี้กันแล้วนะครับโดอาของอิบา ร, ราฮิมที่เป็นดูอาปิดท้ายคุณลักษณะทั้งหมดที่พูดมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเดินพูด เกียาหมดเลยเรื่องโน่นนี่นั่นเกี่ยวข้องกับตัวเองแต่อันสุดท้ายเนี่ยความดีมันไม่เพียงพอที่เราจะเก็บหรือเราจะเอาใจใส่เฉพาะตัวของเราเองเราต้องเอาใจใส่คนที่เรารักด้วยและนอยที่สุดคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดและคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตของเรา<ม>ก็คือคนในครอบครัวเราหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูง ดูอันนี้อาจจะอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงคนที่เป็นเพื่อนฝูงเราด้วยก็ได้เป็นมิตรสหายเราด้วยก็ได้นะครับอย่างอัสซาดีอัสซดีเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวแต่หมายถึงอะไรอรานาอินะมินอัชฮะบินวักรานนวกะจาเจนอันนี้รวมนะความหมายรวมนิดนึงไม่ใช่เฉพาะสามีกับภรรยายหรือลูกหลานอย่างเดียวแล้วแต่คนที่ใช้ชีวิตคลุกคลีกับเราเราก็อยากจะเห็น สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากนะครับให้ท่องเอาไวา้ทุกครั้งเวลาที่เราจะขอดูอาระจัลลอฮฺในเวลาไหนในช่วงเรมามอดอนที่จะถึงนี้หรือแต่ละวันในชีวิตของเรารับบนาฮับลานามินอัจวะจินาวัดริยาตินาคุรรตอย نا, ัยมรับบนาแปลว่าอะไรโอ้พระผู้อภิบาลของเราฮับลานาฮับ ฮับก็คือได้โปรดให้กับเราฮับมาจากตรนนามอัลวะฮาบอัลวะฮับเนี่ยหมายถึงผู้สรงให้อย่างมากมายวะฮับอัลวะฮับหมายถึงผู้สรงให้อย่างมากมายอัลลอฮ์เป็นผู้สรงให้เพราะฉะนั้นเราจึงขอจากพระองค์ให้พระองค์ให้กับเราฮับเลนะมินอัลวาจินา วดุริีตินากุรตาอัยน์ให้อะไรเอยให้กุรตาอัยนกุร์ร์ะเนี่ยแปล ว, ว่าความเย็นความสุขความสงบแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับตากุรตาอัยนเย็นตาเย็นใจก่อนที่จะเย็นใจก่อนที่จะเย็นใจเนี่ยต้องเย็นที่ตาก่อนนะ ถ้าดูแบบดูสภาพในบ้านแล้วดูไม่ได้ใจมันจะเย็นได้ยังไงมันต้องเย็นที่ตาคอน์ถึงจะเย็นใจอันนี้น่าจะเป็นความเห็นร่วมกันของมนุษยชาตินะเพราะว่าภาษาไทย ก, ก็ใช้อย่างนี้ใช่ไหมเย็นตาเย็งใจแก้วตาดวงใจเห็นไหมมันควบคู่กันหัวใจจะไม่สงบถ้าสายตายังเห็นยังเห็นความสเปะสปะความเลอะเทอะความวุ่นวายของลูกหลานของ มันจะยินใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุรตาอัยยนก็คือสบายตาสบายใจสบายตาดูแล้วสบายตาพอสบายตาแล้วก็สบายใจสบายตาสบายใจกับใครมินอสุวาจินาจากบรรดาคู่ครองของเราดูสามีดูภรรยานะภรรสามีดูภรรยาภรรยาดูสามีแล้วรู้สึกอัลฮัมดุลลาฉันมีภรรยาที่ดี ฉันมีภรรยาที่ صالح ะภรรยาก็ดูสามีอัลฮัมดุลิลลาห์สามีของฉันเป็นสามีที่ ص ا ل นะนี่คือความรู้สึกว่าอา้ารู้สึกขอบคุณอัลลอสุบฮานาอัลลอที่เรารู้สึกไม่รู้สึกปวดหัวกังวลหรือไม่รู้สึกอะไรก็เรียกนะถ้าสามีภรรยาที่มีปัญหากันเนี่ยใช่มมันรุ่มร้อ น, ม, นมันแก้ปัญหากันไม่ตก คุยกันไม่ได้อะไรแล้วมันจะสบายใจได้อย่างไงอัลลอฮฺอะบดุลลาห์หนัก อ, อกหนักใจต่ถ้ามีปัญหาในครอบครัวกันแล้วเนี่ยแก้กันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันจะสบายใจได้ไหมเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทายัางไงนะครับฝ่ายสามีจะปรับปรุงตัวเองอยังไงให้ภรรยาดูแล้วรู้สึกสบายใจไม่กังวลไม่รู้สึก อ่าไม่รู้สึกอะไรนะสงสัยในตัวสามีแล้วฝ่ายภรรยาก็จะทํายังไงให้สามีดูแล้วรู้สึกสบายใจนี่เป็นแนะ้อมาที่ใหญ่หลวงมากเป็นแนะ้อมาที่ใหญ่หลวงอ่าคําว่า q u ร r a t a a y นเนี่ยจริงๆแล้วในตัสเซตเนี่ยเขาก็อธิบายมากพอสมควรเนาะอันดับแรกเลยนะครับในเขาบอกว่าบ u r d u ด a m i ur ur oh h a dalil al surur wa al z a บัรดูดำไอ้หหมายถึงว่าน้ำตาแห่งความสุขเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรนะเขาเรียกคือมันจะไม่ร้อนมันจะออกมาแต่ว่ามันจะเย็นไม่รู้เหมือนกันนะเราล อ, ลองเคยทดลองไหมเวลาที่เราร้องไห้ร้องไห้ด้วยความสุขกับร้องไห้ด้วยความทุกเนี่ยน้ำตาแตกต่างกันไหมเออเราไม่เคยไม่เคยไม่เคยมานั่งลองดูนะ ใครเคยร้องบ้างเวลาที่ร้องไห้เพราะความโศกเศร้า อ, อาดูนเพราะความเพราะความทุกข์ใจเนี่ยน้ําตาจะร้อนหรือว่าเย็นและเวลาที่ร้องไห้เพราะความสุขน้ําตาจะเย็นไหมเนี้ยเขาตั้มเซฟเป็นภาษาอางรฤษเขบอกว่าหนึ่งก็คือบัรดูดัมเฮออันที่สองเนามมห์สายตาสามารถที่จะหลับได้อย่างเต็มอิ่ม อันนี้แสดงเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการแสดงออกว่ามันไม่ต้องคิดมากอะ่ะไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องพราบครบัวเรื่องคู่ชีวิตของเราก็เลยนอนกลางคืนก็คือไม่ต้องมานั่งอะไรเกเ อ, เ อ, เอกายหน้าผากอยูอ่ตั้งหัวปุ๊บเอาทำเวลาไม่ต้องอะไรมานั่งคุดคิดเรื่องลกูกเรื่องไม่มีอะไรที่จะต้องคิดคิดมากก็เลยนอนหลับสบายเนี่ยกุรอาอายุนเหมือนกันหรือ เราสู้รุรมีความรู้สึกพอใจดูภรรยาแล้วอัลฮัมเดี๋ยแลพอใจดูครอบครัวลูกอัลฮัมเดีล๋ลรู้สึกพอใจนี่คือสภาพที่เราทุกคนต้องการแน่นอนว่าการที่จะได้สภาพมาอย่างนี้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องพยายามแล้วก็ต้องขอดุอาอันที่จริงดุอาเนี่ยมันคือต้องผ่านความพยายามมาก่อน ข้ ten, down, อเท็จจริงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่อัสซาดีเองได้อธิบายเอาไว้นะครับท่านบอกว่ายงไรวัมินลมลูอัน الدعاء ب م لا ت م إ به ف ا ل د ي ز م من ا ل م ا ل و ا ل ص ا ل ل ه อัรอธิบายทีหลังี่ว่าอันนี้เอาอันแรกก่อนเอาอธิบายอันนี้ก่อน นะครับหนึ่งก็คือต้องการให้เกิดความสุขตาสุขใจกับคนในครอบครัวทีนี้ถามว่าไอความรู้สึกสบายตาสบายใจกับครอบครัวเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าพอเราดูสมาชิกในครอบครัวแล้วรู้สึกไม่เป็นห่วงไม่กังวลอะไรที่จะทให้รู้สึกสบายใจมากที่สุดอ่ะเพราะภรรยาเราสวยไหม เวลาที่เราเห็นภรรยาเราสวยเราสบายใจจริงไหมสบายใจจริงหรือเปล่าแล้วเวลาภรรยาสวยออกไปช็อปปิ้งนี่เราสบายใจไหมแสดงว่าความสวยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เราสบายใจลูกเราก็เหมือนกันลูกเราฉลาดเก่งทำให้เราสบายใจอนอนสบายใจไมไ่ไร้กังวลจริงไหม ลูกฉลาดลูกเก่งทำให้เราสบายใจจริงหรือเปล่ายังไม่แน่นะอันที่จริงแล้วสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งสบายใจได้มากที่สุดก็คือการที่เรารู้ว่าภรรยาของเราหรือสามีของเราและลูกหลานของเราอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงตามคาสอนของลองสุภานวตาแล้วเราสบายใจว่าเขาตายไปแล้ว ในวันอาคิระหรือเราตายกันไปแล้วนะทุกคนก็ตายแล้วแหละสามีก็ต้องตายพ่อกับแม่ก็ต้องตายเราทุกคนตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ของพระอัลลอฮสุบฮานาวะตาลละท่นนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เราสบายใจที่สุดการที่สามีภรรยาผู้ชีวิตมีความเข้าใจศาสนาละัมมุดลิลลาไม่มีอะไรที่จะสบายใจมากกว่านี้อีกแล้วรับประกันเลยว่าเขา จะเป็นคนดีแน่นอนเรื่องอื่นนะถ้าสมมติรัอ่อนมีทุกอย่างแต่ไม่มีศาสนาอัลลอว่าจะสบายใจได้อย่างไรฮะมีทั้งสมบัติมีทั้งรูปลักษณ์ที่ดีแต่ละหมัดไม่ยอมละหมาดทำอิบาดาห์ไม่เป็นถามจริงคุณเป็นสาสนิคุณสบายใจเหรอมีภรรยายแบบนี้ หรือลูกเราก็เหมือนกันทรงเรียนนู่นนี่นั่นเก่งมากทุกอย่างเลยประสบความสำเร็จในแง่ของธุรกิจในแง่ของนู่นนี่นั่นใหญ่โตเป็นเจ้านายคนแต่ว่าฮะไม่รู้จักอัลกุรอานก็อ่านไม่ได้ไ ม, มมไม่ละหมาดก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างยังไม่รู้เลยว่ายังไงดีตายไปละแล้วลคนเป็นพ่อจะสบายใจไหมในฐานะที่เราเป็น อุสธรรมอิบารุลลอฮฺนะครับ والعيات ุบิลลาฮฺมิ nzali เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความกุรอต์ลอัยุนก็คือการที่เรามั่นใจว่าคนในครอบครัวเราอยู่ในศาสนาของลอสุบฮานของเราเพราะฉะนั้นต้องทาต้องพยายามทํำยังไงในการที่จะตระเวนคนในครอบครัวถ้าเราตระเวเองไม่เป็นเราจะส่งไปที่ไหนส่งไปเรียนที่ไหนส่งไปอะไรยังไงต้องหากระบวนการ ต้องหาวิธีการต้องช่วยกันอินชาอัลลอ์ไม่เกินไปกว่าความพยายามและความสามารถที่เราจะทำได้ด้วยเต้าฟีจกอัลลอฮ์ س ب ح, ح น ن ه และอัลลอฮอักลัฮหลังจากนั้นนะดูอายังไม่จบนะเนี่ยจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยความมุขมินอิบาดุรห์มะเนี่ยความความทะเยอทะยานไม่รู้ว่าใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าไอ้คว่าทะเยอทะยานเนี่ยมันใช้ด้านบวกได้ไหม ก็คือไม่ใช่เฉพาะจะให้ครอบครัวดีเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะตัวเองกับครอบครัวรู้สึกพอใจในครอบครัวของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นแต่อัจจัลลิมุตตะทีนาอิมาามีท่อนที่สองด้วยได้โปรดทำให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลออิมาาหมายถึงอุดวตน ตเบฮฟิลเป็นตัวอย่างที่คนอื่นจะเอาไปเป็นแบบอย่างได้เคยคิดไหมทุกวันนี้เราเคยคิดหรือเปล่าว่าเคยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะให้คนอื่นได้เอาสิ่งดีๆจากเราไปปฏิบัติ ด, ด้วยไหมอัลลอฮฺอัลลต้องมีความคิดแบบนี้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าต้องมี growth mindset <c oughs> ต้องมี mindset แบบนี้ mindset ที่อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นการเป็นตัวอย่างที่ดีบางทีไม่จะเป็นต้องพูดไม่จะเป็นต้องแสดงต้องเสแสร้งเราเป็นเป็นเราทำสิ่งดีๆแล้วคนอื่นเห็นแล้วประทับใจเป็นแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะกลับตัวอยากจะเป็นคนดีเหมือนเรานั่นแหละเหมือนกับอายัดนี้แล้วสุอห้านัหรอแน่นอนว่า จะทำให้ครอบครัวดีจนกระทั่งคนอื่นสามารถเอาเรามาเป็นแบบอย่างในการที่จะปรับเขาให้ดีนะครับเนี่ยมันมันทำได้ง่ายไหยถามจริงๆอ่ะยากมากลําพังแค่ดูอายอย่างเดียวเนี่ยไม่ง่ายไม่ใช่แค่ดูอายอย่างเดียวต้องมีกระบวนการเนี่ยที่ผมอ่านเมื่อกี้ของอัสสัดีที่บอกว่า การดุทแบบนี a, ้จริงๆแล้วไม่ใช่แ uh, ค ah ่ดุอิศเฉยๆแต่ย่สียอย่าเส้นจมุมินัลอามัลต้องลงมือทาลงมือทาลงมือดูแลครอบครัวและอดทนต่อการกระทำของผู้อื ว่มันเป็นกึกมีคุามากที่มีคุณค่ามากมากมากมากากมากมากมากมากมากมากมากมากมากต้องอดทนกม้มากม้องพยายากมอย่างมากไม่ใช่ก่ายเลยใครที่เป็นพ่อคนแม่คนรู้เลยกว่าจะเลี้ยงลูากแา่ละค น, ะ น, น, ค น, น, นญญากมากมนกมากมากมากมากมานมนกมากมากม่กมากมากมากมากมาอัลกมากหากมากมาากมานากมากามานมมามมากาา บุรุระดับอัจอิม่าม อ, อิม่ามก็คือการได้เป็นแล้วแปลกมากข้อทีนี้บอกว่าอิมามันเรีมุตตะกิ่อันมุตตะกินคือใครตักกว่าคนที่มีตักกว่าไม่ได้พูดถึงว่าเป็นหัวหน้าของคนไม่ดีนะไม่ใช่นะไอคนไม่ดีนี่คือมันต่างหากอยู่แล้วแต่ในหมู่คนที่เป็นคนดีด้วยกันเนี่ยเรายังต้องอยู่ข้างหน้า หมายเสดของเราต้องเป็นต้องเป็นถึงขนาดนั้นต้องเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากจะได้รับสิ่งดีๆจากเราไม่ได้อม่ามันลิลมุตตะิมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวอย่างสำหรับคนทั่วๆไปอย่างเดียวไม่ใช่นะแม้กระทั่งคนที่เป็นมุตตะกินอยู่แล้วเนี่ยเราต้องพยายามขยับตัวเองไปอยู่แถวหน้าให้ได้ตอนนี้ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรตั้งใจ เนี่ยนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮาไะฮฺอัลลอฮฺเตาะกะรียรือกระตุ้นให้เราทำอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่เราอ่านดูอานี้มันจะช่วยผลักเราว่าเอ้ยมึงต้องปรับปรุงตัวเองนะต้องปรับตัวเองให้ดีนะเพราะสุดท้ายท้ายที่สุดตัวเองจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นให้ได้นะอัลลวะาบดีมากเลยคือสุด ที่สุดของที่สุดเลยดูอานี้นี่เป็นที่สุดของที่สุดในการสอนเราสอนให้เราเอาใจใส่ครอบครัวอัปละนามินอัวะจีน่าอัลุรริยาตีน่ากุรอห์ตะอัยุนีอัลลอฮ์ทำยังไงให้ครอบครัวฉันรู้สึกสบายใจกับครอบครัวของฉันก็ไปต้องไปหาวิธีว่าจะทํำยังไงให้ครอบครัวอยู่ในร่องรอยของศาสนาแล้วฉันจะได้สบายใจตายไปแล้วจะได้ก็เรียกว่าอะไรนะนอนตายตาหลับเ <c oughs> อ่ ไม่มีความกังวลอีกตายไปแล้วเนี่ยมั่นใจว่าครอบครัวจะอยู่ในเหมือนที่อับดุลฮีมขออุดมอับบะน า, อ, อ, าบบ نا, อะไรนะวอาจะมีมุคิมัสซาลาแะมินดุรรียตทีนี่คือดุอาของอั บ, บรอฮิมอยาอัลลอฮ์ الله, ทำให้ฉันเป็นคนที่ดารงการละหมาดและลูกหลานของฉันด้วยอัลลอฮเราไม่ได้ทิ้งอิบรฮุฮมเนี่ย ทิ้งทรัพย์สินอะไรไว้ให้กับลูกหลานบ้างไม่แน่ใจไม่น่ า, จ, นาจะมีเยอะทรัพย์สินที่ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานน่าจะมีแหละแต่สิ่งที่อิบรอฮิมทิ้งเอาไว้ให้กับลูกหลานจนกระทั่งไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็คือดูอาที่ท่านนาบีอิบราฮิมขอว่าขอให้ลูกหลานของฉันเป็นคนที่ดํารงการละหมาดนี่มรดกที่เราต้องทิ้งไว้ให้กับลูกหลานเราไม่ใช่ทิ้งบ้านทิ้งรถอย่างเดียวต้องทิ้งการละหมามดหมายถึงว่า ให้ลูกหลานเรารักษาการละหมาดให้ได้ด้วยเป็นมรดกที่เราต้องทิ้งเอาไว้ให้กับลูกหลานเราให้อยู่ในศาสนาให้ได้แล้วเราตายด้วยความสบายใจดูอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้ลึกท่องให้จําแล้วขออย่างอย่างสุดซึง้งต่อรอดสุพทานอตะละสักวันหนึ่งพระองค์จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับ มมเนี่ยมันจะได้มมอย่ายังไงมันมีคำพูดที่บอกว่ า, บบว า, มามดิวยศรัทธาและความที่นใจจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราจะต้องอดทนอย่างมากเราจะต้องมีความมั่นใจในเส้นทางที่เราเดินเนี่ยอย่างที่สุดหมดแล้วนะครับนี่คือทั้งหมด ของคุณลักษณะอิบาร์ดุลราะมานลองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งตั้งแต่อายัดแรกที่พูดถึงคุณลักษณะของอิบาดุลราะมานอัลลัลฮิยามชูนะอัลัลอฮ์เจ้าขอจนถึงอายัดสุดท้ายที่พูดถึงคุณลักษณะของอิบาดุลราะมานด้วยดูานี้หลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาต้าลาก็กล่าวถึงผลตอบแทนที่บรรดาอิบาดุลราะมานจะได้รับถามว่าผลตอบแทนนี้เหมาะสมไหม กับความพยายามและคุณลักษณะต่างๆที่นับมาก่อนหน้า น, านี้แน่นอนว่าเหมาะสมที่สุดเพราะว่าคุณลักษณะทั้งหมดที่พูดถึงก่อนหน้า น, านี้มันไม่ใช่เรื่องกิ๊กก๊กที่ทําได้ง่ายๆเหมือนกันเนาะต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยความรู้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากเพราะฉะนั้นอุลักยุซานัลฮุรฟตบิมาซบารู วะตะลาบอกว่าบุคคลเหล่านั้นในบาดุรราห์มานเหล่านั้นคือคนที่จะได้รับอัลกุรอฟะอัลกุรฟะนี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีพูดถึงในบางที่บางแห่งกุรอซันกุรอสเนี่ย oh. ในอัลกุรอานี่หมายถึงห้องที่อยู่อยู่ชั้นสูงในสวรรค์เป็นสวรรค์ชั้นสูงอัลลา منازل จันทร์ที่และอัฟ ضل เธอสวรรค์ที่ชั้นสูงที่สุดและดีที่สุดอัลลอฮฺจะให้สวรรค์ชั้นสูงที่สุดสวรรค์ยิ่งสูงยิ่งดีตรงกันข้ามกับนรกนรกเนี่ยถ้าสูงแสดงว่าโทษเบาแต่ถ้าต่ำสุดเนี่ยแสดงว่าโทษหนักนะสวรรค์นเนี่ยถ้าต่ำแสดงว่ า, า, วนน า, วารางวัล อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็เยอะอยู่แล้วในสวรรค์แต่ถ้ายิ่งสูงยิง่งยิ่งดีอัลเฟราวสเลอาเลออัลกูรฟะก็คือวิหารทราารที่อยู่ชั้นสูงสูงในสวรรค์ของลัคนลสุบานวะลสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเราแต่ละใช้คำว่าพวกเขาได้รับสวรรค์ชั้นสูงสูงเหล่านั้นด้วยอะไรบีมาซอบารู ด้วยสาเหตุที่พวกเขามีความอดทนสะกดคำนี้ให้ดีชีวิตของเราต้องสะกดคำนี้ให้มากๆอดทนสอบเปลคำเดียวสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกเวทีทุกมิติอัลลอฮฺวะััล ลองไล่ย้อนหลังไปครอบครัวเนี่ยต้องอดทนไหมตามจริงใชไหมเวลาที่เรามีครอบครัวนี่ต้องอดทนไหมอ๋ออักบัตอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูก่าอดทนยังไงนะเอาเฉพาะลูกแค่ลูกอย่างเดียวนะตอนที่อยู่ในท้องอดทนแม่ต้องอดทนในการอุ้มท้องลูกพอมันออกมาตอนที่มันเด็ก ต้องเลี้ยงดูมันต้องดูแลมันเวลาที่มันซนเวลาที่มันดือ้อแต่และช่วงวัยกว่ามันจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสุขานลละละเป็นอุลามะบางคนบอกว่าบางทีบาปของพ่อแม่เนี่ยบางอย่างลบล้างไม่ได้ยกเว้นลบล้างด้วยการที่เหนื่อยจากการเลี้ยงลูก <c oughs> ความที่เราเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกเนี่ย ไปช่วยลบบาปของเราบางอย่างที่ทำอย่างอื่นมันลบไม่ได้อะเพราะด้วยความที่ว่าเลี้ยงลูกมันเหนื่อยจริงๆเป็นสาเหตุในการลบล้างบาปของคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เพราะฉะนั้นอดเป็นพ่อเป็นแม่ขอเป็นกำลังใจให้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกเนี่ยขอให้นึกว่าเราแต่ละกาลังลบล้างบาปอะไรบางอย่างกับเราอยู่ซึ่งความดีอย่างอื่น ไม่มีพลังพอที่จะลบล้างบาปนี้แต่ความดีจากการที่เราเหนื่อยเพราะเลี้ยงลูกเนี่ยช่วยลบล้างได้สุ ح ا า Allah อันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นดิมาซาบารุอดทนอดทนเนี่ยมีกี่ประเภท อ, อดทนต่อพระเจ้าประก า, ารพระองคุ س ب าน ن หัวตะลาที่ a l l a ตละลากำหนดกาหนดให้เราเป็นคนที่มีฐานะเท่านี้เป็นคนที่เรามีความสามารถเท่านี้ ไม่เหมือนกับคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าเราอะไรอย่างต่างๆนา น, นาที้เป็นคอรตอรอดัตกำหนดกฎเกณฑ์ต่อร้องของพตะเาละอดทนยอมรับมันอดทนประเภทที่สองก็คืออดทนในการทําความดีอัสซาบรูอัลาตาอาเจนละสิ่งที่พรลเจ้าตรัาสสั่งให้เราทําทําความดีนี่บางทีก็ต้องใช้ความอดทนมากเช่นเดียวกันอดทนประเภทที่สามก็คืออดทนในการละทิ้งความชั่ว ละทิงความชั ja, oh, eat. Eat? So, ่วเขาต้องอดทนเหมือนกันอยากจะทําความชั่วโอ้ต้องอดทนต้องกดกลั้นไม่ให้ไปทําความชั่วทั้งหมดนี้รวมอยู่ในคําว่าบีมาซบบรูเริ่มต้นแต่อันแรกเลยยามชูนั่งลอาร์ิฮาวนา و ่อีดะคาตบะฮฺมุลจาฮิลูนลกาลูสเลามังต้องอดทนไหมที่จะมีนิสัยแบบนั้นการลุกขึ้นมาอย่างกลั้นเือนก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอัลบรูเป็นบาบุนมุฟเป็นอะไรนะ มุสตะกิลเป็นหมวดตั้งหากที่เราจะต้องไปเรียนเฉพาะว่ามุมินในอิสลามพูดถึงความอดทนยังไงอดทนคือเส้นทางแห่งการสู่สวรรค์ในอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่พูดถึงความอดทนเวลาที่พูดถึงสวรรค์เนี่ยจะมีความอดทนมามาตลอดมาเสมอเลยเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนมากที่เราจะเดินทางไปหาสวรรค์บ้านของเราทุกคน วายุลักเาวน์ فيها ท ahiya และ سلام าแล้วพวกเขาจะได้รับการต้อนรับในสวรรค์ด้วยการทักทายและการให้สลามแต่ทห h ย y กับสลามเนี่ยความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็มีท ahiya เนี่ยบางทีไม่ใช่เฉพาะคำพูดแต่ทห h ย y นี่เป็นการทักทายอาจจะรวมถึงท่าทางด้วยเวลาที่แขกมาบ้านเราเราต้อนรับเราให้เกียรติแขกเนี่ย ไม่ได้ให้เกียรติกับคําพูดอย่างเดียวแต่ให้เกียรติด้วยด้วยการกระทําในขณะที่สล ا م س ل ามคืออะไรคือคําพูดตะฮียะต้นวะสล ا م ะทั้งการกระทําทั้งคําพูดเนี่ยชาวสวรรค์นเนี่ยจะมีอัลลอฮฺสุบบานาวต่าอัลลเองก็จะมาต้อนรับมากล่าวต้อนรับพวกเขาแล้วก็จะส่งบรรดาม马拉อิกจักมามาต้อนรับบรรดาชาวสวรรค์ที่จะได้เข้าเข้าสวรรค์บางท afsir บอกว่าอตะฮียะ เป็นการขอพอรให้มีชีวิตยืนยาวในสวรรค์ในขณะที่ อ, อสลามเนี่ยหมายถึงขอดูอาให้พวกเขามีความปลอดภัยแน่นอนว่าสองอย่างนี้ในสวรรค์นี่มีพร้อมอยู่แล้วในสวรรค์จะไม่มีความตายในสวรรค์จะไม่มีความน่ากลัวจะมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสุขไม่ควาจะมีแต่ความสันติอันนั้นเลยนี่คือผลตอบแทนนะครับ ข้าลีนน์ในพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอกกาน حسن น์นิสตักรน์ว่ามุค้อมะนี่แหละคือสถานที่ที่อยู่ที่ดีที่สุดม س สตักรนว่ามุค้อมะในอายะฮ์อิบารุร์ห์มานมีคำนี้อยู่อีกที่หนึง่งตอนหน้านี้จำได้ไหมอะ อินนาซาตมุตตร์แคนแะมุคามะพูดถึงอะไรพูดถึงนรกดูอ่าที่พูดถึงนรกอะอบบนาอัสลิฟานะอาดะบะจฮันนัมอินอาดะบะฮะแคน้ากรามอินนาซาตมุตตร์แคนแะมุคามะนรกก็เป็นสถานที่พักที่เลวที่สุดตรงกันข้ามกับนรก حسن คือสวรรค์สวรรค์มันยังไง ح س นมุสตะการ์ะมุกามะถ้านรกเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลวที่สุดที่จะเป็นที่พักสวรรค์ก็เป็นที่ที่ดีที่สุดเลิศรู้ที่สุดที่จะเป็นที่อาศัยของพวกเราของมนุษย์ทุกคนอัลลอฮมารซุกนัลจันนะอัลลอฮุมอาร์ฮิลนัลนนะอัลลอฮุมร์ฮิลนัลนนะ ร, ร, ราะอมุสุดท้ายและบรรพายของเราทุกคนก็คืออยากจะกลับไปสู่จุดนั้นขอ Allah Subhanahu Wa Taala ขอดูอาให้เราเป็นอิบาด l r a h m a ให้เราเป็นชาวสวรรค์ของพระองค Allah Subhanahu Wa Taala ด้วยเถิดอาเมนยารบระานี้จบเรื่องราวของอิบาด l r a h m a แค่นี้อายัดสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ b a d ร l r a h m a โดยตรง แต่เป็นอายะที่เป็นการปิดสุรทุลฟุรควันเป็นคําส ah er ั oh, ่งที่อัลลอฮ์ส oh, ุบฮานะตะอัลาสั่งท่านนบีมุฮัมมัดสั่งคุณจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดก่อกับใครกับบรรดาพวกมุสลิมกับบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะอัลลากับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนด้วยรวมถึงมนุษย์ทุกคนด้วยให้บอกว่ายังไงมาอย่าเบะออบิคุมรอบบี พระเจ้าของฉันจะไม่สนใจพวกเจ้าหรอกเรามีอะไรที่อัลลอฮ์อะไรจะสนใจถามจริงไม่มีเราจะไปเทียบอะไรกับอัลลอฮ์อะไรจะสนใจเรานี่มีอะไรที่เราจะสนใจล่ะนี่คือข้อเท็จจริงแล้วเราทําตัวโอหังอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้ยังไงที่พระองค์สนใจสนใจใครสนใจอิบาดุลรอ์ม่านก่อนหน้านี้คนเหล่านี้คือคนที่พระองค์สนใจ เราจะเอาเข้าสวรรค์พระองค์จะตอบแทนจะเอาเข้าในความเมตตาของพระองค์ที่เหลือ بي, ม้ยากบุกบกมรอบีมนทุกคนไม่มีใครได้ไดๆในสายตาของพระเจ้าอัลลอฮฺเร า, าเละ د ع อ ء อุกุมถ้าไม่มีความศรัทธาด ع ا ء อุกุมตรงนี้มีการอธิบายว่าหมายถึงอีมานอุกุมนโับสบอกว่าอีม ا ن อุกุมหมายถึงความศรัทธาของเราถ้าเราไม่มีความศรัทธา เราไม่มีค่าต่อหน้า Allah หรือดวงอาตมตรงนี้ก็คืออิบะดาทุกมการทําอิบะดาของเราถ้าเราไม่ได้ทําความดีใดๆเราจะมีค่าอะไรต่อหน้า Allah ไม่มีอันนี้คือความหมายในแง่หนึ่งในการตัดซีนอายัดนี้เ a า l a h จะไม่สนใจพวกเจ้าหลอกมนุษย์ทั้งหลายเอยถ้าพวกเจ้าไม่งศรัทธาต่อพระองค์ถ้าพวกเจ้าไม่ทําอิบะดาต่อพระองค์ เจ้าไม่มีค่าใดๆสำหรับอัลลอฮตอัลเลยอันนี้คิดตับเซร์ในแง่ที่ตับเซร์ในแง่ที่สอนในข้ออธิบาว่าอย่างนี้ละ يعبأ بكم บ ب ลา و ل ا ด ع ا คุมพระผู้เป็นเจ้าของฉันจะไม่สนใจหมายถึงว่าพระองค์จะทรงลงโทษเจ้าในโลกดุนยานี้เลย จริงๆแล้วอวตาราถ้าจะลงโทษเราในโลกดุนียานี้จะลงโทษมนุษย์ทุกคนในโลกดุนียานี้เนี่ยพระองค์ทําได้เลยไหมทําได้เลยพระสกัดแกสเดบิชมพราะพวกเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราไปพูดกับบรรดาพวกมุสลิมคนที่ไม่ศรัทธาตอบว่าอวตาราทำผทําอบายามุกทําความชั่วเยอะแยะเต็มโลกเต็มจักรวาลไปหมดเนี่ย ถ้าจะนับความผิดที่เราทําเนี่ยถ้ารัตละจะลงโทษเนี่ยทีเดียวเลยแต่ที่พระองค์ไม่ลงโทษเพราะอะไรล่าเลาดูอาโอกุมเพราะในจํานวนมนุษย์เนี่ยมีคนที่ยังเป็นผู้ศรัทธาเหลืออยู่เข้าใจไหมครับอันที่จริงโลกนี้เนี่ยถ้าจะสลายไปเนี่ยมันก็สมควรละแต่ด้วยความที่ยังมีผู้ศรัทธาอยู่รัลตละก็เลย โอเคไม่เป็นไรยังไม่ทำลายโลกนี้ก่อนจนกว่าจะถึงวันเวลาของมันจริงๆอข้อนี้เกี่ยวข้องกับยุคสมัยของท่านนาบีด้วยนั่นก็คือสมัยมุชริกีน่ะก่อนที่ท่านนาบีสุลต่านของอัลลอฮจะมาตอนนั้นมีใครเป็นผู้ศรัทธาบ้างถ้าสมมุติว่าตอนนั้นอัลลอฮฺจะทำลายโลกนี้เลยไม่เหลือมุชริกินถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ปรากฏว่า ในช่วงที่ยังไม่มีรอสุลล่า ส, สลุลล่าของศาลาก็ยังมีเหลืออยู่นะคนที่ศรัทธาต่ออัลล์จากบรรดาชาวคำภีบางคนบางกลุ่มที่ยังที่ยังศรัทธาต่อตอัลลอฮ์อยู่เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทำลายอัลลอฮ์วาเมตตาของอัลลอฮ์ต่างๆตราบใดที่ยังมีคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตัดเส้นอีกแง่หนึ่งในแง่ที่สาม อายัด น, นี้เกี่ยวข้องกับมุชริกนโดยตรงอัลลอฮฺตาลาจะไม่สนใจเจ้าถ้าเจ้ายังไม่ถ้าเจ้าไม่มีการอิบ า, าตาะต่ออัลล์ตอนไหนพวกมุสลิกนอิบัตะต่ออัลลอฮ์ตาลตาลตอนไหนตอนจวนตัวตอนลาบากจำได้ไหมอายัดที่พูดถึงเวลาที่พวกมุชลินลงเรือไปแล้วไปเจออุปสรรคไปเจอคลื่นใหญ่ในเรือทิ้งหมดเลย รูปปั้นต่างๆไอ้ชีริกต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วดูอากับใครดูอากับอัลลอฮฺตาลาพระองค์เดียวเวลาขึ้นบกกลับไปชีริกต่อแสดงว่าพวกมุสลิกีนเองเนี่ยบางทีบางครั้งบางคราวก็ยังขอจากอัลลออยู่ถ้าคนมุสริมีเหล่านี้ไม่ขอจากอัลลอฮฺตาลาเลยเนี่ยพระองค์ไม่สนใจแล้วแต่พระเอกญว่าคนเหล่านี้ ยังมีอยู่นะที่เคยขอจากอัลลอฮ์บางตาลาเป็นบางช่วงบางจังหวะเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรให้อยู่ต่อสุบฮานะลออยู่ต่อได้เพราะอะไรเพราะการอิบัตนะแม้ว่าตัวเองจะไม่มีอิมรันก็ตามแต่ขอดูอาอยู่เป็นบางช่วงบางจังหวะอัลลอฮฺอัลลอฮสุดท้ายแม้ว่าอัลตาลาจะไม่ลงโทษเลยยังให้เรามีชีวิตอยู่ แต่สำหรับพวกมุชลิกีนพอถึงวันหนึ่งวันที่กลับไปห Allah าอัลลอฮฺสุบัยร์ทะลาเบนยังไงแต่เฟายกูนุลิซามาการลงโทษของพระองค์จะต้องเกิดกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนในดุน ي านี้ไม่เกิดในดุญญานี้ไม่ถูกทำลายแต่พอถึงวันอาคริร์อย่าเข้าใจผิดอย่าสำคัญตัวเองผิดว่ารอดจากดุน ي าแล้ว จะไปรอดในอาคิรออีกครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้รอดในดุเนยาอาคิระไม่รอดอีกต่อไปเซอเฟียคูนุลิซามาเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะให้รอดก็คือกลับไปหาลองสุภาหานอาตาล้ศรัท ธ, ธาต่อพระองค์อิบาดะต่อพระองค์ก่อนที่ชีวิตจะสิ้นจากโลกนี้ไปอัล ล, ล, ลาอฮุตาลาอลนะครับนี่คือตัฟซีร อิบาด الرحمن لا ي ิ س า ا ل ر ا م س ورة الفرقان اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم وفقنا لأن نكون عبادك عباد الرحمن برحمتك يا أرحم الرحمن ي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والله تعالى عالم وفقنا الله وإياكم لما يحب و ي ر ض ا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المحسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات